สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับนะ้าอามอีกเช่นเคยนะครับแม่ตอนแรกก็ว่าจะจัดสองกลังบทที่72ต่อนะครับแต่ว่านะพี่น้องบนเขาเหลียงซานนะครับดาวมารปฐมภูมทั้ง72ดวงนะครับกับดาวเทพอสูร36ดวงก็มาพร้อมกันบนเขาเหลียงซานแล้วนะครับเราก็เรงว่านะครับจะไม่ได้แสดงถึงารายชื่อของ พวกพ um, man, the the nah, ้องพี huh. mm ่น hmm. ้องบนเขาเหลืองสารที่เป็นดาวมารปัตพีและก็ดาวเทพอสูรทั้งหลายนะครับก็จะได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นมีใครบ้างแล้วก็ประจําอยู่ดาวเทพอะไรนะครับจะเป็นดาวเทพอสูรหรือว่าดาวมารปัตพีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับเดี๋ยวเราว่ากันที่ดาวเทพอสูรก่อนนะครับดาวเทพอสูร36ดวงมีใครบ้างพี่น้องคุ้นใครบ้างนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะตรงใจ พี่น้องแอบเชียร์ใครไว้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับท่านแรกนะครับนายดาวแห่งหมู่ดาวในสวงสวรรค์ฝนทั่วฟ้าส่งเจียงดาวเทอพอภินิหารในหมู่ดาวสวรรค์กิเลนยกลู่จุนยี่ดาวนักปราชดในหมู่ดาวสวรรค์จอมมายาคนผู้ยงดาวจรในหมู่ดาวสวรรค์มังกรในม่านเมฆ ก, กงซุนเฉ่ง ดาวกล้าในหมู่ดาวสวรรค์ขุนพลเงาใหญ่กวนเชงดาววีระธมินในหมู่ดาวสวรรค์หัวเสือดำหลินชงดาวบ้าบินในหมู่ดาวสวรรค์เจ้าอสนีบาทชินหมิงดาวราชพัฒในหมู่ดาวสวรรค์กระบองสองมือหูเวินโจดาววีระบุรุษในหมู่ดาวสวรรค์ลีกวงน้อยหัวหรงดาวเลิศล้ำในหมู่ดาวสวรรค์สลาตันน้อยใช้จิ้น ดาวมั่งคั่งในหมู่ดาวสวรรค์อินสิทยานฟ้าลี่หญิงดาวอุดมในหมู่ดาวสวรรค์บรุษคราวงามจูถงดาววิเวกในหมู่ดาวสวรรค์หลวงจิตลู่หลังลายดาววิเวกในหมู่ดาวสวรรค์พระธุดงูบูสงดาวนายเวสในหมู่ดาวสวรรค์ขุนพลทวนคู่ตองผิงดาวกรดในหมู่ดาวสวรรค์เกาทันไร้ขนจางฉิน ดาวธรมินในหมู่ดาวสวรรค์เดรัจฉานหน้าดำอย่างซื่อดาวองค์รักในหมู่ดาวสวรรค์ครูพลหอกเหล็กสู้หนิงดาวศูนในหมู่ดาวสวรรค์ผู้พันถลวงหน้าโสกเจ้าดาวหลิวในหมู่ดาวสวรรค์เทพท่องทางใต้จงดาวพิกลในหมู่ดาวสวรรค์ปีศาจหนวดแดงหลิวถังดาวมฤตยูในหมู่ดาวสวรรค์สลากตันดำดีขุยห สลาตันดำรี่ขุยนี่นะครับอยู่ในหมู่ดาวเทพอสูรสาสบดวงนะครับแหมไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่น้องครับ <S <S ท่านต่อไปนะครับดาวต่ําในหมู่ดาวสวรรค์ก้าวมังกรซื่อจินดาวชํามแรกในหมู่ดาวสวรรค์รั้งไม่อยู่มู้หงดาวรหปในหมู่ดาวสวรรค์เสือติดปีกเลยเหงิดดาวนิรันในหมู่ดาวสวรรค์มังกรกลางน้ําเชี่ยวรีจุน ดาวกระบี่ในหมู่ดาวสวรรค์มารอมหิดหยวนที่สองดาวระนาบในหมู่ดาวสวรรค์เดชคนเรือจางเฮงดาวบาปในหมู่ดาวสวรรค์บ้ามุททะลุหยวนที่ห้าบ้ามุททะลุนี่น่าจะเป็นสลากตันดำรี่ขุยมากกว่านะครับพี่น้องครับแม่น่าจะได้ฉายานี้นะครับท่านต่อไปนะครับดาวแตกในหมู่ดาวสวรรค์ ฟองขาวในเกลียวคลื่นจางชุนดาวพิชิตในหมู่ดาวสวรรค์ผีมาเกิดหยวนที่เจ็ดาวคุกในหมู่ดาวสวรรค์ไอ้เผือกหยางซ่วงดาวปัญญาในหมู่ดาวสวรรค์ผู้ไม่เคยตายชื่อซิ่วดาวดิรัตฉานในหมู่ดาวสวรรค์งูสองหัวเสจเจิ้นดาวไม่กวาดในหมู่ดาวสวรรค์แมงป่องสองหางเสียเป้าดาวฉลาดในหมู่ดาวสวรรค์ อัจฉริยาภาพเย็ยนฉิงครับต่อไปนะครับก็เป็นดาวมารปททพีทั้งเจ็ดสองดวงนะครับท่านแรกนะครับนายดาวในหมู่ดาวประจำโลกเสร้อยเหลี่ยมจูหูดาวเดรัจฉานประจำโลกผู้เหยียบสามดอยเดืองห่วงศิลดาวกล้าประจำโลกขุนพลขี้โรคสุน ล, ลีดาวปราดประจำโลก พระสวามีผู้อาภัพส่วนสานดาวดาวีรชนประจำโลกเทพหมาป่าห่าวซื่อบุญดาวราชพัฒ์ประจำโลกขุนพลพิชัยศึกขั่นเถาดาวหานประจำโลกขุนพลตาสวรรค์ปเปงฉีดาวพิกลประจำโลกขุนศึกกระแสชนซามถึงกุ้ยดาวธมินประจาโลก ขุนพลอัคคณีเว่ยติงโกดาวรอบรู้ประจำโลกมือเทวดาเสียวรังดาวเที่ยงทำประจำโลกคุณธรรมชุดเล็กเปิยส่วนดาวจํารัดประจำโลกปีกทองไหว้เมฆโอเปิลดาวม้วนประจำโลกสิงโตตาไฟเต่งเฟยดาวขมังประจำโลกเสือพยองเหยียนชุนดาวธรรมุนประจำโลก พยักลำพองหยางหลินดาวเพลาประจำโลกอัศนาบาตฟฟาสวรรค์หลิงเจิ้นดาวเก็บประจำโลกลูกคิดวิเศษเจียงจิงดาวเอื้อเฟือประจำโลกเจ้าฟ้าน้อยลู่ฟางดาวเพื่อแผ่ประจำโลกหลินกุ้ยที่สองโกเชงดาวฉลาดประจำโลกหมอเทวดาอันเต้ากวนดาวสัตว์ประจำโลก เขาแดงห่วงฟูต่วนดาวจ้อยประจำโลกเสือเตี้ยวหวางหญิงดาวปัญญาประจำโลกกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยแม่นางหูดาวเถือนประจำโลกยมทูตจากโลกันเป่าสู้ดาวเงียบประจำโลกเทพอสูรมวลแผ่นดินฟานรุยดาวเถือนประจำโลกดาวผมนางขงหมิงดาวไฟประจำโลกดาวจรัสแสงขงเหลียง ดาวเหินประจำโลกเทพเนจาแปดกเสียงจงดาวย่างประจำโลกเทพเผินฟ้าลี่กุลดาวรื่นรมประจำโลกช่างสลักแขนยกจินตาเจียนดาวสุขใสประจำโลกคลุยเทพ ย, ายดามาลินดาวล่วงประจำโลกมังกรจากถ้ำถงเวยดาวรุบ ป, ประจำโลกห้อยละเลงชนถงเหมิง ดาวเปลี่ยมประจำโลกลิงแขนยาวโหเจียนดาวพร้อมประจำโลกเสือข้ามห้วยเฉินต้าดาวหลุบประจำโลกงูด่างขาวหยางชุนดาวพิเศษประจำโลกสุภาพบุรุษหน้าหล่อเจงเทียนโชดาวเที่ยงประจำโลกตเตาก้าหางเต้าจงวางดาวโออาประจำโลกพัดเหล็กส่งฉิงดาวมโหรีประจาโลก ข้อหอยเหล็กเยโหดาวเร็วประจําโลกเสือคอลายกงวางดาวลวกประจําโลกเสือต้องเก่าทันติงเตอ๋อสุนดาวกดประจําโลกกูไม่กลับมู่ชุนดาวยั้งประจําโลกมือชำละมารเก่าเจิ้งดาวพีศาษประจําโลกเทพพิทักษ์เมฆาทรงวานดาวเวทประจําโลกผู้สูงเทียมฟ้าตู้เฉียน ดาวรี่ประจำโลกเสือลำบากเสียหยงดาวลำพังประจำโลกนายพลสู้เสือลีจงดาวศูนประจำโลกราชาน้อยโจถุงดาวกํพร้าประจำโลกเสือดาวดวงทองถังหลงดาวจบประจำโลกไอหน้าผีตู้สิงดาวสั้นประจำโลกมังกรซ่อนภัยโจหยวนดาวแฉกประจำโลกมังกรงอนเดียวโจหลุน ดาวนักโทษประจำโลกจะระค่บกจู้กุย้ยดาวสะสมประจำโลกเสือเสียจู้ฟูดาวซ่อนประจำโลกลูกเสือตาทองชื่อเอ้นดาวลื่นประจำโลกแขนเหล็กใช้ฟูดาววิบากประจำโลกบ้านเดี่ยวใช้ฉิงดาวเบาประจำโลกเทียบเชิญวิ ญ, ญญาลี่ลี่ดาวสแสวงประจำโลกเสือตาโศกลี่หยุนดาวดุดันประจำโลก คนไร้น้ำใจเจียวถิงดาวอัปลักษ์ประจำโลกขุนพลนชื่อชื่อยงดาวเลขประจำโลกขุนพุ่นน้อยสุนสินดาวราหูประจำโลกแม่นางเสือกู้ดาวล้างประจำโลกคนปลูกผักจางฉิงดาวแข็งประจำโลกนางไม่มดสุนดาวด้อยประจำโลกไอ้คล่องหวางติ่งลิว้วดาวพะละประจำโลกพูดร้ายบนทางเปียว ยู่เป่าซื่อดาวมูสิกประจำโลกหนูกลางวันไปเชงดาวดิ้นประจำโลกหมัดบนหนังกรองชื่อเฉียนและดาวหมาประจำโลกสุนัขขนทองตวนจิงจู่ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับน้าอามอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังซองกังตอนที่7จต่อไปนะครับนะ้าอามมีบทขัดนิดหนึ่งนะครับที่จะนาเสนอพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนซองกังนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความบันเทิงและก็ความรู้ที่ครบรสชาตินะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของการแจกจ่ายตาแหน่งซึ่งหลังจาก ส่งเจียงนะครับเขาได้ไปให้คนไปขุดเอาหินนะครับหลักหินที่หล่นมาจากสวรรค์นะครับในวันที่สิบเดือนสี่ซึ่งวันที่สิเดือนสี่นั้นนะครับพี่น้องมันมีเรื่องสําคัญอะไรนะฮะก็คือเป็นวันที่เขาบวงสรวงนะฮะส่งเจียงสั่งให้บวงสรวงเทพยดาแล้วก็พวกผีทั้งหลายรวมทั้งเจ้าไก่นะฮะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในอดีตนะครับซึ่งที่จากไปนั่นเองนะครับ ครับวันที่สิเดือนสี่นั้นนะฮะในเรื่องของซ้องกั๋งนะครับนะอําก็ไปค้นมานะครับมันเริ่มจากรัชสมัยของพระเจ้าทรงเจอจงนะครับมันอยู่ที่ราวๆคิดสกสารหนึ่งพันแปดสิบห้าราวๆนี้นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดนะฮะมันไม่แน่นอนนะครับพี่น้องตั้งแต่ราชสมัยของพระเจ้าทรงเจอจงนะฮะแล้วก็ ป, ปลายๆราชสมัยของพระเจ้าซ้องฮุยจงนะครับก็อยู่ที่ร า, ราวๆ คิสักราดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับพระเจ้าซ้องวิจงนี้นะครับก็เป็นรองสุดท้ายของราชวงศ์่งเหนือนะครับองค์สุดท้ายก็คือสมเด็จพระจกักรพรรดิ่งชินจงนะครับหลังจากซ่งชินจงไปแล้วนะครับบ้านเมืองก็แตกสลายแะครับบ้านเมืองราชวงศ์ซ่งเหนือนะก็กลายมาเป็นราชวงศ์ซ่งใตนะ้เดี๋ยวนะอำจะ อ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับราชวงศ์ซ่งทั้งสองราชวงศ์นะครับก็คือราชวงศ์ซ่งเหนือและก็ซ่งใต้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันหลังจากที่สิ้นสุดวรรณกรรมจีนสองกังไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะนํามาอ่านให้ฟังอีกนะครับบทความของราชวงศ์ซ่งนี่นะครับก็จะนํามาจากท่านอาจารย์ทวีปวรดิโลกกันเลยนะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนะฮะท่านเล่าไว้ละเอียดยิบเลยนะครับ แล้วก็น่าฟังมากครับแม่เราก็นอกเรื่องไปสักอีกแล้วนะครับพี่น้องยิ่งไม่ชอบการนอกเรื่องอยู่อ่าขอโทษนะครับพี่น้องครับครับหลังจากนะฮะวันที่สิบเดือนสี่นะฮะอ่ราวราวคริสกราดหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับอ่าอนุมานได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับในเรื่อง ที่เดินดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่เขาได้อนัตจากสวรรค์แล้วก็เห็นความเด่นชัดของ108แปวรประหลุษแห่งเขาลิงซานแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงสมเด็จพระจกักรพรรดิซ้องหุยจงนั่นเองนะครับครับในอักระสวรรค์จากแผ่นหินที่หล่นลงมาจากฟากฟ้านะเขาได้แจกแจงอะไรไว้บ้างนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งบน เขาเลี้ยงซานนะครับอันนี้จะเด่นชัดเลยนะครับพี่น้องน่าจะดำเนินไปอย่างนี้จนจบเลยนะครับพี่น้องหรือไม่ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเดี๋ยวาอามก็จะมาถแถลงไขกันต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับพี่น้องครับจากบทความที่ท่านอาจารย์จรัสชัยได้คัดลอกมานะก็มีอย่างนี้นะครับ บนเชิงผาชั้นที่สองตึกด้านไปีกซ้ายให้จูบูหวงสินสุนลี่เซียวรงังและเปิดชวนอยู่ตึกไปขวาให้ไต้จงเยียนชิงจางชินอันเต้ากวนและฟู่ตวนอาศัยทั้งด้านซ้ายของหอธรรมภกดีให้มีมูตึกที่ไว้คลังสมบัติและสเสบียงกลางทั้งที่เก็บและที่จ่ายให้เป็นที่อยู่ของชาจิ้นลี่หยุนเหยียนชิงและหลิงเจินมูตึกทางด้านขวามีหัวหง ฟานรุยเสียงจงและลี่กุนความจากตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่ของอินทรียันฟ้าลี่หญิงมากกว่านะครับซึ่งครองตําแหน่งด้านครรรมสมบัติมาตั้งแต่การจัดวางตําแหน่งในบทที่5้อดครับส่วนลี่หยุนที่สัก์ต่ําชั้นกว่ามีตําแหน่งทางด้านซ่อมสร้างอาคารบ้านเรือนด้านหน้าของภูเขาตามแนวถนนที่ตัดลงไปทางใต้ด่านแรกให้เสียเจิ้นกับเสียเป้ารักษาการให้หลงจีนลูกกับปูสงดูแลด่านที่สอง ให้จู๋ถงกับเหลยเหิงกํากับด่านที่สามส่วนอีกสามด่านรอบๆค่ายใหญ่ด่านแรกบนสันเขาทางทิศตะวันออกให้ซื่อจิ้นกับลิวทำรักษาด่านที่สองบนสันเขาทิศตะวันตกให้ยางซ่วงกับชื่อซิ่วกากับด่านที่สามบนสันเขาทิศเหนือให้โม่หงกับลี่ขุยดูแลพ้นด่านทั้งหกออกไปเป็นที่ตั้งของค่ายใหญ่อีกแปดค่ายแบ่งออกเป็นสี่ที่บนเขา กับอีกสี่ที่ชายน้ําที่ค่ายทิศใต้ให้มีฉินหมิงโซ่เจ้าโอเปงเต็งเฟยค่ายตะวันออกให้มีกวนเชงซูหนิงสวนซาน่าวซื่อเหวินค่ายทิศตะวันตกมีหลินชงตงผิงสามถิงกุย้ยเว่ยติงโก้ค่ายทิศเหนือมีหูเหวินโจถังหลงหันเถาและแปงฉีส่วนค่ายชายน้ําตะวันออกเฉียงใต้ มีเล่จุนกับหยุนที่สองค่ายชายน้ําตะวันตกเฉียงใต้มีจางเหงกับจางชุนค่ายชายน้ําตะวันออกเฉียงเหนือมีหยวนที่ห้ากับถงเบยส่วนค่ายชายน้ําตะวันตกเฉียงเหนือมีหยวนที่เจ็ดกับถงหมิงครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทรงเที่ยงปฏิบัติตามจารึกอักครสวรรค์ที่เขียนว่าปฏิบัติตามบัญชาฟ้าหรือปฏิบัติตามองคการสวรรค์หรืออนัสวรรค์นั่นเองนะครับ ตามที่เต้าสือโหแปลให้ฟังก่อนหน้านี้คำว่าปฏิบัติตามบัญชาฟ้าคือความชอบธรรมที่จะกระด้างกระเดื่องที่จะก่อกระบทนั่นเองนะครับครับต้นฉบับของเพอเอสบลกนะครับท่านอาจารย์จรัตชัยนะท่านก็ยกออกมาแสดงนะครับให้รายละเอียดชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้นะ ใหญ่ว่าการทัพปวงสองคนคือฝนทั่วฟ้าส่งเจียงกับกิเลนหยกรูจุนยี่สองอาจารย์พวกประสาทการศึกได้แก่จอมมายากรบูหยงกับมังกรในม่านแม่กองซุนเชงให้ร่วมปรึกษาหารือการศึกทังปวงกับเสร้อยเหลี่ยมจูวูให้สลัดตันน้อยใช้จิ้นกับเสือตาโศกลี่หยุนครับตำแหน่งนี้น่าจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากลี่หยุนมีฐานะค่อนข้างต่ำ ความจริงน่าจะเป็นอินทรียานฟ้าลี่หญิงนะครับเพราะมีฐานะสูงใกล้เคียงกับช้ยจินกับช้ยจินท่านก็เป็นถึงราชนิกูลแห่งราชวงศ์ก่อนนะครับอีกทั้งยังดำรงตำแหน่งด้านคลังสมบัตินี้มาตั้งแต่บทที่5้าสิบเอ็ดดูแลสมบัติกับคลังสเสบียงก็คืออินทรียานฟ้าลี่หญิงนั่นเองให้ขุนพลใหญ่ระดับเสือโครงห้าคนคุมทัพม้าหนักทั้งห้า ประกอบด้วยหนึ่งขุนพลเงาใหญ่กวนเชง 2. หัวเสือดำหลินชง 3. เจ้าอัศนิบาตชิงหมิง 4. กระบองสองมือหูเวินโจและ 5. ขุนพลทวนคู่ตองผิงในบดาหมู่ขุนพลเหล่าหมาเป้าข้าขอแต่งตั้งผู้บัญชายการทัพหน้าแดคนได้แก่ 1. ลี่ฟวงน้อยหัวหลง 2. องครูพลหอกเหล็กสู้หนิงส เดรัชันหน้าดำอย่างซื่อสผู้พันทะลวงหน้าโสเจ้าห้าเกาทันไร้ขนจางชินหกบุรุษคราวงามจูถงเจ็ดก้าวมังกรซื่อจินและแดรังไม่หยุดมู่หงในหมู่ขุนพลเหล่าม้าระดับรองลงมาข้าขอแต่งตั้งให้มีสิบหกคนคอยทำหน้าที่เป็นกองลาดประเวณระยะไกลและกองระวังเหตุล่วงหน้าหนึ่ง คือผู้เหยียบสามดอยเดืองหัวซิน 2. ขุนพลขี้โรคซุนลี่ 3. พระสวามีผู้อาภัพสวนซาน 4. เทพหมาป่าห่าวซื่อเวิน 5. ขุนพลพิชัยศึกหันเถา 6. ขุนพลตาสวรรแปงฉี 7. ขุนศึกกระแสชนซานถิงกุ้ย 8. ขุนพลอังคณีเว่ยติงโก 9. เปทองไหว้แม่โอเปงสิสิงโตตาไฟแตงไปสเอดเสือพอยองเหยียดชุน 12. คลุยเทพพายดาหมาหลิน 13. เสือข้ามห้วยเฉินต้า 14. ่งู ด, ด่างขาวหยางชุน 15. พห้ายักษ์ลำพองหยางหลินและสิราชาน้อยจอถุงในหมู่ขุนพลเดินเท้าระดับอาวุโสทั้ง1ิบได้แก่หหลวงจีนลู่หลังลาย 2. พระธุดงบูสง 3. าพิาษสัตว์ดวแดงหลิวถัง 4. เสือติดปีกเลยเหงห้า สละตันดำลีขุย 6. อัดชรยเทพเยียนชิงเจไอ้เผือกอยางซ่วง 8. ผู้ไม่เคยตายชื่อสิวเกงูสองหัวเสียจนและแมงป่องสองหางเสียเฝ้าส่วนขุนพลเดินเท้าระดับรองส7เจ็คนประกอบด้วยหนึ่งเทพอสูรมุลเผดินฟานรุย 2. อยมทูตจากโลกันเป่าสู้ 3. เทพเนจาแปดกรสยนจง 4. ทเทพเผินฟ้าลี่กุล 5. ขุนพลชื่อชื่อหยงครับลำดับนี้ก็น่าจะเป็นเสือลำบากเสียหยงซะมากกว่านะครับเพราะมีฐานะสูงกว่าชื่อหยง 5. ขุนพลชื่อชื่อหยง 6. ลูกเสือตาทองชื่อเอิญ 7. ชุดไม่อยู่มู่ซุน 8. ขุนพลสู้เสือลี่จง 9. สุภาพบุรุษหน้าหลอ่อเจงเทียนโช 10. เทพพิทักเมฆาทรงวานส1ผู้สูงเทียมฟ้าตู้เฉียน 12. มังกรซ่อนไพโจหยวน 13. มังกรงอนเดียวโจหุน 14. เสือขอลายก ว, วาง 15. เสือต้องเกาทันติงเตอสซุน 16. คนร้น้ำใจเจียวถิงและ17ขุนพลชื่อชื่อยงสำหรับป้อมค่ายชายน้ำทั้งสี่ให้แปดผู้บัญชา ก, การทหารเรือคุมประกอบด้วย 1. มังกรกลางน้ำเชี่ยวรี่จุน 2. เด็ดคนเรือจางเฮงสปองขาวในเกลียวคลื่นจางชุน 4. มานอมหิตหยวนที่สองห้าบ้ามุทลุหยวนที่ห้า 6. ผีมาเกิดหยวนที่เจ็ดเจด็มังกรเข้า่าำถงเห๋ย 8. หอยละเลงชนถงเหมิงสำหรับโรงเตี๊มสี่แห่งที่ตั้งหาข่าวและต้อนรับผู้มาใหม่โรงเตี๊มทิศตะวันออกมีขุนพลน้อยสุนสิน กับแม่นางเสือกู้ด้านทิศตะวันตกมีคนปลูกผักจางชิงกับนางไม่มดซุนทางทิศใต้มีจระเข้บกจู้กุ้ยกับไอ้หน้าผีตู้สิงด้านทิศเหนือมีเทียบเชิญวิญญาณนี่ลี่กับไอ้คล่องหวางติ่งริ้วครับไอ้คล่องหวางติ่งริ้วนี่ก็อยู่กับน้ํานะครับอยู่กับน้ําหากินกับน้ํามาตลอดชีวิตนะฮะตอนนี้นะครับยังไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ปรากฏ บนเขาเหลียงซานนะครับหัวหน้าแมวมองคือเทพท่องทางใต้จงหัวหน้าหมู่พลเดินสารรับมีสี่คนได้แก่ขอหอยเหล็กแย้โหไอ้หมัดมบนหนังกลองชื่อเฉียนสุนัขขนทองตัวจริงจู้และหนูกลางวันไปเช่ง องครักษ์ประจำทัพหลวงเหล่าม้าสองนายได้แก่เจ้าฝ้าน้อยลูฟ่ฟางกับเดินกุ้ยที่สองโอเชงองครักษ์ประจำทัพหลวงเหล่าราบสองนายได้แก่ดาวผมนางขงหมิงดาวจร ะ, ะแสงขงเหลียงเพชรชาคาดประจำทัพสองคนได้แก่แขนเหล็กใช่ฟูกับบ้านเดี่ยวใช่ฉิงสองขุนพลเหล่ามา้าคุมกองลาดระเวนได้แก่เสือเตี้ยวหวังหญิง กับนางกระบี่เหล็กสิบเสี้ยไม่นางหูให้อีก16คนว่าการในแผนกต่างๆได้แก่ผู้ว่าการควบคุมหนังสือโต้อตอบทั้งปวงคือมือเทวดาศิียรงังผู้ว่าการพิทักษ์กดให้คุณให้โทษคุณจะทำชุดเล็กใส่วนผู้ว่าการบัญชีทรัพย์สินและเสบียนกรังลูกคิดวิเศษเจียนจริงผู้ว่าการต่อเรือทั้งเล็กและใหญ่เสายกโบสถ์ทวัดแม่งกังผู้ว่าการดวงปราและเติว้ว ช่างสลักแขนยกจินต้าเจียนผู้ ว, ว่าการเสื้อผ้ารอมและธงทิวลิงแขนยาวโหดเจียนผู้ ว, ว่าการสัตวบาลรักษามมาก็คือคราแดงหวงฟูตวนพผู้ว่าการแพทย์สนามรักษาทั้งภายในและภายนอกก็คือหมอเทวดาอันเต้ากวนผู้ ว, ว่าการช่างแสงประดิษฐ์อาวุธยุโทโธปกรณ์คือเสื้อดาวดวงทองถังหลง ผู้ว่าการปืนใหญ่มีหน้าที่หล่อปืนใหญ่ทําเครื่องกระสุนก็คืออัศนิบาศฟาดสวรรค์หลิงเจิ้นผู้ว่าการเคหะเสือตาโศกรี่หยุนครับเสือตาโศกรี่หยุนนี่นะครับก็รับผิดชอบงานนี้มาตั้งแต่บทที่สี่ิบสี่แล้วนะครับผู้ว่าการเคหะคือเสือตาโศกรี่หยุนผู้ว่าการโรองฆ่าสัตว์ก็คือมือชําตแมกมาร์คเอาเจิ้งผู้ว่าการจัดเลี้ยง หัดเด็กส่งฉิงผู้ว่าการสุรามไรเสือเสียจูฟ้ฟูผู้ว่าการโยธารับผิดชอบค่ายคูประตูหอรบก็คือเต่าก้าหางเต่าจงวางผู้ว่าการอันเชิญธงศึกก็คือพูดไรบนทางเปรีย่ยวยู่เป่าซื่อครับก็น่าจะคลายความ ร่างแครงใจไปได้บ้างนะครับน้าอามก็สงสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอยู่บนเขานั้นทําอะไรกันบ้างนะก็ทั้งหมดทั้งมวล น, นะครับก็ก็มีเท่านี้นะครับเขาก็ส่วนมากนะครับเท่าว่างเว้นจากการศึกนะก็มีการกินเลี้ยงกันละครับพี่น้องด้วยเ อ, อที่เขาบอกว่านะเนื้อก็เท่าภูเขาเหลากานะครับส่วนเล่านั้นก็อย่างกับทะเลนะครับมันเยอะอย่างกับทะเล อันนี้ก็น่าจะยืนจันได้นะครับเพราะว่าอตอนที่แล้วตอนที่แล้วแล้วนู่นนะครับที่ว่างเว้นจากการศึกก็กินกันสองสามครั้งเลยนะครับกว่าจะมีบทใหม่มาเนะกินกันกินเลี้ยงกันโอ้โหกินกันทั้งวันนะฮะจนถึงโน่นนะครับเข้านอนโน่นแะครับพี่น้องครับแม่ถึงว่านะครับไม่มีใครหนีออกมาจากเขาเหลียงซานเลยนะครับพี่น้องมันอยู่สบายว่าข้างล่างนั่นเองเฮย เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายนะอํำก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ได้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายโอ้โ ห, โหพี่น้องครับพอจบปุ๊บในฝนตกพับเลยนะดีจริงๆนะครับถ้าตกมาในช่วงที่กำลังดำเนินเรื่องอยู่นะครับโอ้โหยุ่งเลยครับครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ